ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่สาสาพรรษาที่17เจย้อนกลับน้องผือพ่อตายพ่อยังและป่วยหนักครั้งที่สอง หลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้ให้อวาทธรรมเอาไว้ว่าใครก็ไม่อยากไปเป็นบ้าอยู่ในสภาหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะเข้าไปก็เข้าไปแย่งเก้าอี้กันนั่นแหละได้หน้าได้หลังอะไรถ้ามีศีลมีธรรมแล้วไม่แย่งและแต่บุญแต่กรรมเราทำความดีทำไปมันจะสมควรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นผู้ใหญ่มีผู้น้อยมี บ้านมือมีคือมีแปรต้องรู้คนดีคนชั่วใครควรจะไปตกในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ควรจะไปตกในตำแหน่งหน้าที่นั้นตามธรรมดาไม่แย่งกันเหมือนหมากัดกันใช้ไม่ได้เลยนี่คือความไม่เป็นธรรมอับอายน่าอับอายขายหน้าที่สุดเลยประชาชนเขาหัวเราะเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งไปกัดกันเหมือนหมาใช้ไม่ได้เลยนี่ เพราะความไม่มีธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติต่อตัวเองเราอยู่กับโลกนี้อยู่มานานควรจะทดสอบบวกลบคูณหารรายได้รายเสียของธรรมธรรมนี้ไม่ค่อยมีในกายวาจาใจของเราส่วนมากมีแต่โลกกิเลสมันคน้นมันใส พ, พ่อครณให้ทำสิ่งนั้นให้ไปในที่นั่นให้ไปในที่นี่ให้ทาสิ่งนี้ซึ่งล้วนแล้ว แต่เรื่องกิเลสหลอกให้ทำผลสุดท้ายก็มีแต่ทุกข์อยู่เต็มกับเรากิเลสเต็มอยู่กับเรากิเลสมันไม่รับทุกข์มันโกยมาให้เฉยๆพวกเราเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นจงให้ระมัด ร, ระวังหลืองตามหาบุญานสสัมปันโน ได้เล่าชีว้ว่าประวัติของท่านในพรรษาที่17ปีพุทธศักราช2493ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านน้องผือตำบลนานในอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครเอาไว้ว่าพอตกถึงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2493เราทุกดงไปอยู่ในป่าในเขาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพอหลังจากนั้น ก็กลับมาทางจังหวัดสกนครขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีนั้นมันก็เดือนหกแล้วจบจิตฟ้าดินถล่มในคืนแรม14ข่ําตรงกับวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493พอเช้าวันหลังแรมส5บ้า่ำวันที่16จึงลงจากภูเขา ว, วัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกนครมาอย่างวัดป่าสุทธาวาสในตัวจังหวัดสกนครท่านอาจารย์มหาทองสุข ท่านเอาพัดมาใส่ให้เลยท่านถามว่าเป็นยังไงเรียนหนังสือมาแทบล้มแทบตายได้เคยเห็นพัดยศมหาไม่ล่ะคือเราไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านี้เรียนท่านว่าอุ้ยกระผมไม่เคยสนใจกับมันเพราะว่างั้นท่านก็ปุ๊บปับ๊บวิ่งเข้าไปเอาพัดในห้องท่านมาตั้งกึกมหาบัวมาถ่ายรูปมหาทั้งคนไม่มีพัดยศติดบ้างมันมีอย่างหรือเรียนมาแทบเป็นแทบตาย ท่านว่าของท่านเองแล้วกุลีกุจอจัดการของท่านเองเอานั่งตรงนี้นั่งให้เราถ่ายรูปตั้งพัดยศไว้ข้างหลังเราก็เฉยทําตามท่านนั่นแหละพัดยศท่านอาจารย์มหาทองสุขเอามาให้เราถ่ายรูปหลังจากที่เราได้พักอยู่ที่วัดป่าสุทาวาตกับพระอาจารย์มหาทองสุขได้สองคืนเรากับท่านเพลงพระอาจารย์เพลงเขมาพิรโตตั้งใจจะไปจับรรษาที่อําเภอวาริชภูมิ บ้านนาเชือกทุ่งเชือกจะเดินทางไปถ้ำนั้นท่านเพลงนี้คือผู้ที่เราบอกเป็นคนแรกเมื่อเราพ้นจากสมมติทั้งปวงแล้วเผอิญผู้เท่าทิฏฐานคนบ้านหนองกุลแจ่เคยไปหาเราที่วัดบ้านหนองผือบ่อยๆทราบว่าเรามาแจ่จึงขึ้นมาหาเราที่ภูเขาอำเภอวัริชภูมิก็ไปเล่าสภาพของวัดป่าบ้านหนองผือให้ฟังว่าโอ้ยท่านอาจารย์น่าสลดสังเวชเหลือเกิน ดูสภาพน้องผือเหมือนบ้านร้างวัดร้างแต่ก่อนพระเนนหรืออารามอารามเต็มวัดตลอดมีหลวงปู่มั่นเป็นร่มโพร่มใสประชาชน ญ, ญาติโยมยิ้มแย้มแจ่มใสทำบุญไส่บาทเหมือนแดนสวรรค์อยู่ในบ้านน้องผือพอท่านหลวงปู่มั่นล่วงลับไปแล้วเวลานี้เหมือนวัดร้างเศร้สสาหมดเลยยังเหลืออยู่แต่พระหลวงตาสองถึงสามองค์เท่านั้นเราตั้งใจฟังฟังแล้ว สะดุดใจอย่างรุนแรงไม่ถามไม่ตอบเลยพอแกพูดอย่างนั้นแกก็เล่าธรรมดาแกไม่รู้ว่าเราเอาจริงเอาจังไปสะดุดเราอย่างไรบ้างพอแกไปแล้วก็พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงบุญถึงคุณของชาวบ้านหนองผือเวลานี้จะกลายเป็นวัดรา้างยังไงกันนี่พอตกตอนเช้าตื่นขึ้นมาฉันพัตทหารเสร็จแล้วตัดสินใจบอกท่านเพงว่าไปกลับบ้านหนองผือเถะเรา เอาจะกลับไปยังไงอีกท่านเพลงนิสัยก็เป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้ยินหรือเมื่อวานนี้ผู้เท่าทิดผานมาเล่าให้ฟังนั่นนะ่ะเขาว่ายัางไงบ้างเราก็เล่าเหตุผลให้ฟังท่านก็เข้าใจทันทีเพราะนั่งอยู่ด้วยกันในคํานี่ละ่ะเหตุที่ตัดสินใจกลับไปวัดบ้านหน้องผือจวนจะเข้าพรรษาในปีนั้นพอไปถึงหน้องผือตรงกับเรือนแปขึ้น8ดค่ํามีแต่พระเท่าๆสอ ง, ส, องสามองค์จริงๆ จากนั้นส5ห้าค่ำก็ประชุมเข้าพรรษาพอเห็นเราเข้าไปเรื่องก็กระจายออกไปข้างนอกพระเนนจึงพากันหลังหลายเข้าไปปีนั้นจำพรรษาร่วมส0สรูปไล่เลี่ยกับปีที่พ่อแม่ครูจานทร์มั่นอยู่3 5สถึงรูปพระเนแน่นหนามั่นคงดูเหมือน28หรือ29องค์นั่นหละสาเหตุที่ได้กลับมาสนองคุณชาวบ้านน้องผือ หลืตอตามหาบัวยาณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติท่านต่อไปอีกว่าพอเรากลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านน้องผือใหญ่กั้งคนนี้สำคัญนะพวนาดีแกก็เข้ามาหาเราพร้อมกับหลานชื่อว่าตาพุทธแต่ไม่คุยอะไรกับเรามากเหมือนกับที่เคยคุยกับพ่อแม่ครูจานมัน่นใหญ่กั้งกระซิบหลานว่าไอพุธกูจะบอกมึงมึงอย่าพูดให้ใครฟังนะนี่ มึงรู้บ้างไหมว่าพ่อตายพ่ออย่างนะนี่นี่ท่านมหาบัวมาจำพรรษาที่นี่แล้วองค์นี้กับยาท่านมั่นเป็นอันเดียวกันนะให้มึงรู้เสียแตงแต่นี้ต่อไปให้มึงรู้ให้มึงอุปธรรมอุปถากท่านให้ดีเหมือนหลวงปู่มั่นคุณธรรมอันเดียวกันเลยไอเจ้าหลานของใหญ่กั้งก็มากระซิบเราอีกเราทึ่งขบขันจะตายแจ่กระซิบหลานมึงอย่าบอกใครนะ ไมบอกใครแต่ไปบอกหลวงตาบัวซะเองยายกัน้นแจเก่งทั้งด้านจิตใจสมัยพ่อแม่ครูจานมั่นเป็นอยู่แจจะไปหาท่านในตอนเช้าตอนพระกําลังจะฉันแจไปนั่งอยู่ข้างล่างพอพระฉันเสร็จแล้วแจ ก, ก็ขึ้นไปที่โรงฉันไปคุยธรรมะกับพ่อแม่ครูจานมั่นพวกพระทั้งหลายพากันรีบล้างบาทแล้วค่อยมาแอบฟังคำพูดของแจอยู่ทางด้านหลังหอฉัน อย่าพูดอาหฐานตามหลักความจริงไม่สะุกสถานเวลาพวกถวยเทพทั้งหลายมากราพ่อแม่ครูจาร์มั่นที่วัดหน้องผือลังไหลมาพวกเทพเขามาทิศทางพระไม่อยู่นะพวกเวยเทพทั้งหลายเขาเคารพพระมากคือเขาจะมาทางด้านที่ไม่มีพระถ้าพระมากด้านไหนเขาจะไม่มาทางด้านนั้นเขาจะไม่มาสุมสี่สุมห้านนะเพราะแม่ครูจาร์มั่นท่านบอกว่าทางด้านนี้พวกเทพมา ใครอย่าไปสุมสี่สุมห้าแถวนั้นนะนอนก็เหมือนกันหลับครอกครอบแค่แครกให้พวกเทพเข้ามาปรงธรรมสังเวศไม่ได้นะให้รักษามารยาทพอแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดก่อนและโยมยายกั้งนี้แกมาพูดแบบเดียวกันแกรู้จิตคนอื่นแกเห็นจริงๆรู้จริงๆใครสะอาดผ่องไสขนาดไหนแกเห็นเวลาแกมาเล่านี้คือแกนิสัยตรงไปตรงมาพูดไม่กลัวใครเหมือนขวานผ่าซาก รู้อย่างไรพูดอย่างนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาพวกพระก็สนุกฟังเจ๋งไหมละ่ะยายกัง้ง mm. เจ๋งมากนะนี้ได้ทราบว่าอัธิของแกกลายเป็นพระาธาตุเราเชื่อว่างั้นเลยยายกัก้งนี้เราเชื่อแล้วแหละเพราะจันนั้นแกเดินจงกรมนี้เอาไม้เท้าเดินอยู่บนกุฏิหมายถึงความเพียรหมุนอยู่ภายในต้องเปลี่ยนอริยบทให้จะนั่งอยู่นานไม่ไหวต้องเดินเพราะอันนี้หมุนอยู่ตลอดเราไม่ลืม หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านในขณะที่องค์ท่านป่วยหนักครั้งที่สองได้ตายไปถึง 99% แล้วดังนี้ในขณะที่เราย้อนกลับมาจำภรษาที่วัดบ้านหนองผือเราป่วยหนักปางตายคือมีคนนำยามาขายยาแบบนั้นเราไม่เคยเห็นมาก่อนคนขายเขาว่าเขาอยู่กรมการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม บอกจนกระทั่งห้องเจ็ 7. นี่แหละเวลาที่เป็นเหตุแล้วมันก็ไม่ลืมในวันที่เขามาเราก็ปัดกวาดไปถึงศาลาพอดีเขาก็มาถึงนั้นเราปัดกวาดพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้กวาดไปวางไว้แล้วก็เลยขึ้นไปบนศาลาพอขึ้นไปเห็นเขาเปิดหีบออกมากระเป๋าของเขานั่นหละมียาหลายประเภทแต่ยาขวดนั้นมองไปปับ๊บมนสะเทือนใจทันทีทันใดโอ๊ย ยาขวดนี้ฉันไม่ได้นะใครฉันตายนะเราวา่างนี้นะรู้สึกเสียมรารยาทเขาหน้าซีดแห้งไปหมดหลักที่เราไปว่าั้งอย่างนั้นจากนั้นเราค่อยเพล็กใหม่ยาขวดนี้เป็นยาแก้อะไรเราถามยาถ่ายไม่เป็นอะไรล่ะครับพวกผมมียาห้ามพวกขายยามันกล่อมคนเจงเราจริงฉันก็ฉันธรรมดาพระองค์ละช้อนละช้อนพระท่านถ่ายธรรมดา พอถึงสองทุ่มเขาเอาอยาห้ามมาก็ห้ามพระท่านฉันก็หายให้เราฉันเท่ากันกับเขาเวลายาห้ามมามันไม่ยอมหายละซีถ่ายเสียจนตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึง8ปดโมงเช้าเรานั่งอยู่เคียงซ่วมถ่ายท้องยี่สิห้าหนเกิดอาการอาเกียนอย่างรุนแรงสองหนความรุนแรงของมันทําให้เศษอาหารพุ่งจากนี้ไปติดฝาโ น, น่นร่างกายอ่อนลงทันที มันจะตายอย่างเห็นได้ชัดอ่อนลงอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวของเราข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปลงไปตรงกลางความรับผิดชอบของจิตที่สร้างไปตามร่างกายส่วนต่างๆหมดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวตายไปถึง 99% เปอร์ซนเหลือเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวแต่มันแปลกอยู่นะที่ไม่ล้มจากนั้นมาก็ปล่อยหมดเลย ร่างกายก็เหมือนท่านไม้ท่านฟืนประสาท ส, ส่วนต่างๆดับหมดเป็นเหมือนท่านไม้ไปหมดเวทนาของกายที่มันเป็นอย่างสาหัสนั้นก็พลันดับวูบไม่มีอะไรเหลือพอกายหมดความหมายทุกเวทนาก็หมดความหมายยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผองใสเราก็รู้ว่ามันผองใสแต่ก่อนรู้กันทุกระ ย, ยะระยะ แต่ตอนนั้นคำว่าผ่องใสหรือเศ้า ห, หมองมันไม่มีพอมันมีแต่สัตว์ว่ารู้เท่านั้นสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันหมดความหมายกลายเป็นท่านไม้ท่านฝฟืนไปหมดแล้วแต่ทำไมสังขานี้อยู่ในวงขานมันปรุงได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันปรุงได้แต่ความปรุงอันนี้หรือมันเกี่ยวข้องกับจิตเพราะปรุงออกมา มันก็ออกมาจากดวงจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อยังเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% ก้าวเข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดิดภาพออกเลยประโยคหลังสุดท้ายก็จิตเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้ทั้งๆ ท, งที่มีแต่ความรู้สึกสักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาถามว่าหือ จะไปเดี๋ยวนี้เฉียวหรือมันปรุงตอบว่าเอ้าไปก็ไปพอกำล น, นดจิตลงเหมือนกับว่าจะเสริมให้มันไปตายจะช่วยมันไปเลยเอ้าจะไปก็ไปมันก็ตั้งท่าไปตั้งหน้าไปแต่แล้วมันกลับไปสลับสนนกันพอจอจิตเข้าไปตั้งท่าจะไปจออยู่กับผู้รู้เท่านั้นความรับผิดชอบของจิตนี้สร้างออกไปอีกแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปทางนี้ก็ขึ้นมาทางนั้นก็ลงไปข้างล่าง ลงไปทั่วสันพรางออกไปทั่วสันพรางร่างกายอย่างรวดเร็วเลยเือไม่ไปหรือไม่ไปก็อยู่ซิว่างั้นมันไม่เห็นเสียดายหรือหงหงอะไรเลยเอ๊ะมันก็คิดได้นีนามันแปลกอยู่นะสังขารนี้มันปรุงได้พอความรู้นี้มันซ้างเอาไปทั่วสันพรางร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันป้ามันฟางหูก็เริ่มรู้ได้ยินเสียง ข อ, อความรับผิดชอบบัดออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบของมันนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีๆจะทราบเวลาตายคนเวลาจะตายจริงๆเวทนาจะดับหมดเวทนาไม่มีเหลือจิตถึงจะเคลื่อนตัวออก